เเจริญพรทุกท่านวันนี้มีคนจากเมืองจีนมาเรียนนั่งที่ไหนอ่ะอยทาเวลานั่งรวมกับคนไทยแยกกันไม่ออกน้าเหมือนกันเปียกเลยอย่เว้นตอนพูดคนโบราณเก่งนะบักสำเนียงสอภาษา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 ถ้าทำอย่างนี้ไม่ทอดทิ้ง7จวันเดเดือน7ปคีควรจะได้อะไรบ้างเรียกว่าเราจเจริญสติปัฏฐานอยู่พระธเจ้าท่านรับรองสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นคำว่าทางสายเอกก็มีความหมายหลายอย่างเป็นทางของท่านผู้เป็นเอกคือทางที่พระพุทธเจ้าคนพบคนอื่นคนไม่ได้ต้องคนที่เป็นเอกจริง คือพระพุทธเจ้าทางสายเอกคือทางสายเดียวไม่มีทางสายที่สองอย่างนี้ก็แปลได้ทางสายเอกหมายถึงว่าทางที่เดินครั้งเดียวถ้าเดินครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเดินซ้ำผ่านแล้วผ่านเลยไม่มีกลับมาอย่างได้โซดาแล้วไม่มีทางกลับมาเป็นพุทธชนอีกแล้วขาดแล้วก็ขาดกันไปเลยเห็นทางสายเอก ท่านพูดถึงอ น, นิสงฆ์ของการเจริญสติปัฏฐานไว้ว่าบางคนก็7ปีได้พระอราหันต์ถ้าไม่ได้พระอราหันต์ก็ได้พระนักขาบางคนก็6ปีได้พระอราหันต์ได้พระนักขาบางคน3ปีบางคนปีเดียวบางคนแค่ไม่ครบปไีไม่กี่เดือน7เดือนคำว่า7เดือนก็คือไม่กี่เดือนเป็นสัมนวนแคร์บางคนก็สองสาเดือน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 จะตัดตรงเข้าไปมาผลนิพพานนั้นก็จะลำบากนิดหนึ่งแต่คนรุ่นหลังๆดูอย่างคนจีนคนจีนมาเรียนอาทิตย์เดียวแยกขันได้แยกขันได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสักเมื่อ30ปีก่อนครูบาอาจารย์ที่ดีวิเศษยังเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่สัก3ากว่าปีก่อนแต่คนที่ลงมือปฏิบัติแล้วรู้สึกตัวเป็นยังหายากเลย นะอย่าว่าแต่คนแยกขันได้เลยมารุ่นหลังๆนี้ฟังกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็บบแยกกันเป็นที่จริงแล้วมันมีปัจจัยอีกอันหนึ่งคือคนซึ่งมาเรียนรุ่นแรกๆเนะ่ยพวกนี้ชอบปฏิบัติคนที่ชอบปฏิบัติเนี่ยจะพยายามควบคุมจิตตัวเองจะชินอย่างนั้นเพราะฉนั้นให้ลงมือปฏิบัติที่จะไป น, นั่งสมาธินั่งเพ่งอะไรพวกนี้ส่วนพวกที่มาทีหลังเนี่ยพวกไม่เคยสนใจปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นพวกนี้เพ่งไม่เป็น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 หรืออย่างคนไหนขี้โกรธนะ้วก็ฝึกรู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหายโกรธก็รู้ต่ไปจิตจำสภาวะความโกรธแม่นพอโกรธปุ๊บรู้ ป, ปั๊บไรขัดใจเล็กๆก็เห็นละขัดใจเล็กๆสติก็เกิดละรู้โอ้ก็ไม่พอใจละห้าเห็นเนี่ยนะัสติก็เกิดงั้นพวกเราต้องฝึกนะของดีของวิเศษนะไม่มีการร้องขอที่ไหนได้เลยต้องฝึกต้องทาเอาเอง ครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าแถวเยอะแยะนะตายไปเกือบหมดนะครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นรุ่นเนี้ย ร, นนรุ่นนี้ดีจริงๆนะรุ่นโตๆพวกเนี้ยแต่และองค์แต่กว่าท่านจะดีท่านล่มลุกลุกคลานทุกองเลยบางองค์ตุดงอดข้าวอดปลาหลงป่าก็มีนะเจอเสือเจอช้างเจองูที่น่ากลัวกว่าเสือช้างงูก็มี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 มันก็ไปตามความเคยชินก็ช่วยกันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะเมื่อสักสามสิบปีก่อนครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกท่านบอกว่าเออเราดูไปนะตอนนี้สัตว์ในนรกเนี่ยมันจะขึ้นมาเกิดเยอะมากเลยต่อไปบ้านเมืองมันจะร้อนนะมันจะเบียดเบียนกันนิพพานได้ก็ให้นิพพานไปเถอะเหมือนท่านพูดง่ายอะเนาะ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 ขี้เหนียวกตระกูลโทรสะนะมีคนไหนขี้เหนียวบ้างย้งมือสิเคยจับเหรอโดนหลอกเนาะเ <c oughs> นี่ยคอยรู้ทันนะรู้ลงไปรู้ลงไปพอเรารู้ได้ทีแรกก็จะรู้ของหยาบต่อไปจะรู้ของที่ประนิตขึ้นเลยได้ละเอียดขึ้นเลยได้หัทีแรกไม่ต้องรู้หลายอย่างขี้โกรธก็ดูโกรธเป็นหลักขี้โลบดูโลดเป็นหลักนะ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 ถ้าจะดูจิตไหลนะจิตมีโมหะเนี่ยต้องทํากรรมฐานสักอันหนึ่งแล้วพอจิตเคลื่อนไปจากกรรมฐานเราจะได้รู้ถ้าลำพังถ้าไม่ทําอะไรเลยอยู่อย่างนี้อกๆ อ, อ, อย่างนี้นะไม่เหมือนโกรธนะโกรธปุ๊บขึ้นมาก็ดูง่ายเนี่ยแต่ถ้าใจลอยอย่างเงี้ยดูไม่ออกอะต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยสังเกตแต่อย่าจ้องนะพุโทโธไปจิตนี้ไปเรารู้เนี่ยหายใจไปจิตนี้ไปเรารู้อลอาหลวงพ่อใช้หายใจ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 คนะืนจะบอกมันเป็นสุขก็คือไม่ได้ธรรมะแล้วนะนั้นถ้าใจเข้าถึงธรรมจริงๆ จ, จะเห็นเลยในขันห้านี้รวมทั้งจิตนะมีแต่อนิยจังทุกขังอนัตตาดังนั้นะาการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตนะมันจะได้หมดนะได้สติต่อไปพอจิตขยับปุ๊บรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้เรียกว่ามีสติพอนะรู้ทันปุ๊บจิตขยับรู้ทันปุ๊บไม่ผิดศีล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 ต่อไปเมืองไทยไฟดับต้องไปต่อคืนจากเมืองจีนนะ อ, นะอย่านึกหน้าว่าจะรอดนะนะไม่มีอะไรหรอกที่จะเที่ยงนะคนชั่วร้ายมันมากมากเต็มทีแล้วนะคนไม่มีศีลมีธรรมเต็มไปหมดลนะไม่มีใครสนใจพระพุทธศาสนาหรอกไม่มีใครรักษาให้เราหรอกนะเราที่เห็นคุณค่าเราที่ลงมือปฏิบัติกันเห็นคุณค่ากันนี่แหละเราต้องช่วยกัน ร, รักษาไว้รักษาได้นะ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 กลางวันเขาใจดีหน่อยนะเขาหาผลไม้ไว้ให้สองสามชิ้นฉันอยู่แค่นั้นอนะ่ะแต่โตเอาโตเอาไม่รู้เป็นอะไรคนมันมีบุญเนาะมันมีความสุขอะ่ะมันไม่ค่อยเผาผลาญ น, นะฝึกนะฝึกอย่างคนจีนเขารู้เรื่องนะต่อไปเราอาจจะต้องไปเรียนที่เขานะพระเจ้าอาโศกเนี่ย เป็นองค์แรกที่มองกันไกลจริงๆพุทธเจ้าอ่ะท่านคิดไว้ก่อนพอท่านได้พระสาวกรุ่นแรกแล้วนะประมาณ60สองค์นี้ท่านส่งส่งให้จาริกออกไปประกาศธรรมะนะให้แยกย้ายกันไปประกาศธรรมะเนี่ยให้เผยแพร่ออกไปพระเจ้าสศก็มองต่อไปอีกอีกช็อตหนึ่งเผยแพร่อยู่ในแค่เดินไปเผยแพร่แค่นี้ยยังใกล้เกินไป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 อย่างนั้นโง่หลายเลยมีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนต้องรอไปอีกเนะี่ยไม่ฉลาดแล้วล ะ, อะพอสมควรแก่เวลานะกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะตื่นเต้นคะ่ะธรรมดามใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นนี่หลวงพ่อสอนที่วัดนะระสอนโยมเสร็จนะเวลาสอนพระนี่มีเก้าอี้ตรงหน้าหลวงพ่อเนี่ยพระที่ฉลาด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 ถ้าเราไม่ชอบเราก็ใช้อย่างอื่นอตอนห น, หนูไม่เคยทําหนูคิดว่าหนูหนทําสมถะไม่ได้คะ่ะเพราะว่าใจมันจะฟุง้งพุโทโธพุโทโธพุทโธไปก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้นะไม่ต้องสวดหลายบทหรอกนโมตัส萨ภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแค่นี้ได้ไหมได้ค่ะเออแค่นี้ถ้าอยางยาวไปก็พุโทโธธทำโมสังโฆถ้ายาวไปก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไป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 แต่ทําได้ก็ทํามีโอกาสก็ทํานะแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องดิ้นรนมากที่หนูทําอยู่ <c oughs> ที่พันมาหนูใช้ได้ น, น ะ, นะแต่หนูดูโทรศัพไว้เจ้าค่ะถึงจะดูถูกดูอะไรนะโทรศัพท์ก็แอบแทรกอยู่ได้ด้วยไปดูตัวนี้ไว้เจ้าค่ ะ, ะต่อไปสวัสดีครับหลวง พ, พ่อครับเออขอบคุณหลวง พ, พ่อมากอตรงนี้โทรศัน้อยลงคะของโยมพาวนาดีขึ้นแล้วละ สามคนที่ส่งมารวมทั้งคนที่สี่ด้วยใช่ได้เออตอนนี้ติดอยู่ว่าตอนภาวนาไปเนี่ยมันมันมีสติรู้อย่างเดียว ม, มันอะไรนะมันมีสติรู้อย่างเดียวรู้ว่ารู้อย่างเดียวเออรู้ว่ามันตอนนี้มันทำอะไรอยู่อยูย่แต่มันไม่อมองมองไมง่เห็นมีสติรู้อย่างเดียวคือคือรู้ว่ามัน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 ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงดังนั้นของจริงๆไม่มีชื่อหรอกชื่อมันเป็นสมมุติบัญญัติสิ่งที่เราต้องการเห็นคือเห็นตัวสภาวะแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ดันั้นตรงที่มีชื่อเรียกเนี่ยไม่ใช่สภาวะเป็นบัญญัติถ้าอย่างนั้นแสดงว่าภาวนาได้ชำนาญขึ้นนะมันไม่มีชื่อเรียกกลับนมาสัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะมาส่งกันบ้านครั้งที่สองคะ่ะหลังจากไป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 ออดีไม่ใช่ไม่ดีอเนี่ยครับก็เลยจะมาปรึกษาหลวงพ่อว่าที่ไม่รักตอนนี้กลัวหลวงพ่อก็เลยรักษาตัวรู้มากไปนิดนึงมันนิ่งไปถ้าปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะจิตมันเข้าฐานอยู่แล้วหลวงพ่อแล้วหนูต้องทําต่อไปยังไม่ได้เดินผิดชาติอย่าโลภนะเอี่ยโลภใจโลบมันเลยอยากโน้นอยากนี่มันเลยไม่เห็นติดปัญหาโลกส่วนพวกนี้ติดปัญหาโกรธ เมืี้เนี่ยปลดมันทุกเรื่องเลยน ะ, น ะ, นะมันก็เลยไม่เห็นค่ะหลวงพ่อเออไปฝึกเอาไปค่ะพระขอบพระคุณค่ะเออกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อเออท่านที่นั้นมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตมันไม่เข้าฐานนะคะมันสว่างอยู่ข้างข้างนอกอะค่ะดูออกไหมก็ดู <c oughs> เออดูได้มันก็เข้าแหละค่ะมันก็ค่อยๆกลับเข้ามา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 อยู่แบบฉลาดหมายถึงว่าเราเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นนะแล้วถ้าใจเรายินดีเรารู้ทันยินได้เรารู้ทันไม่ใช่เกลียดมันนะเบื่อใจมันเบื่อเยอะไปะเริน่มถูกความเบื่อครอบงำให้รู้ว่าความเบื่อครอบงำใจภานาดีนะภนาดีถึงจุดหนึ่งมันก็เบื่ออย่างนี้แต่พอเรารู้ทันมันก็จะข้ามตรงนี้ไปได้ะจะดีกว่านี้อีกไปทาเอา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 เจ้า่ไปดูแล้วเพื่อให้เดินจมกลมเพื่อให้เห็นว่าร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเป็นผู้รู้ที่เบิกบานเจ้าป่าขอกรพักิวันนี้พอวนาดีทุกคนเลยที่ส่งกันบ้านคนนี้ก็ใช้ได้นำมาส ก, การค่ะหลวงพ่อรีบบอกไปก่อนเนี๋ยเครียดจัดหัวใจวจะระเบิดออกมาข้างนอกแล้วอะส่งกันบ้านข้างที่สองค่ะออคือปฏิบัติมาก็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 เพราะงั้นหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์โลกนี้ทุกข์แน่นอนทุกข์ไปหมดเลยเออแต่ว่าใจเนี่ยมีโทสะใจไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบตัวเนี้่พอความไม่ชอบดับไปเราก็จะรู้ทุกข์ไปด้วยใจที่เป็นกลางค่ะอืบางทีก็นอนตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองเห็นว่าตัวอะไรไม่รู้นอนอยู่อย่างเงี้ยเราเรามองเห็นนะคะว่าตัวตัวอะไรไม่รู้เราไม่รู้จักหรืนอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ เราไม่รู้หลวงพ่อจะไปรู้แล้วตัวอะไรตัวเราไม่รู้ว่าเป็นตัวแต่เราเราตัวเรานั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าเป็นตัวของเรานั่นแหละพอวนาเป็น<ะ>ถ้าบอก ie, น, นี่ตัวชั้นนี่ตัวชั้นไอ้พวกนี้ภาวนาไม่เป็นหออกเนี่ยไม่รู้ตัวอะไรหรอกมันแว บ, บเดียวที่ว่าใช่ปัญญาเวลาเกิดเกิดแว บ, บเดียวไม่เกิดนานถ้ารู้สึกว่า oh, ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไอ้อย่างนี้ปลอมไม่ใช่ของจริงค่ะอืขอการบ้านค่ะไปทําอีกทำทำเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะเออทาถูกแล้วแต่ให้รู้ทันโทสะ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 คือมันไม่มันเบื่อแล้วหลวงพ่อไม่อยากอยู่ไม่ผมลาออกจากงานแล้วเดี๋ยวจริงๆครับผมจะไปบวชที่ธรรเชียงดาวเชียงใหม่เดือนหน้าแต่ผมลาออกล่วงหน้าเดือนหนึ่งเจ้านายก็ไม่อยากให้ออกเขาก็ไว้ใจเวลาผมไม่ไปบวชนะครับต้องให้วิชาไว้ป้องกันตัวไปดูตัวเองนะอย่าดูคนอื่นนะครับใช่เคยฟังซีดีหลวงพ่ออยู่ถ้าดูคนอื่นแล้วก็บวชได้ไม่ทนหรอกใช่ครับเราัะเห็นเนีเมื่อวานก็มีพระมาบวช โอ้ผมอยู่กับวัดไหนก็ไม่ได้แล้วหันไปทางไหนมีแต่คนผิดพระวินยัยมีแต่กิเลสครับใช่บอกแล้วกิเลสท่านท่านไม่เห็นมั้งเหรอ <c oughs> โอ้แต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่อยากอยู่จะอยู่เฉพาะพรรษา <c oughs> ถ้าออกพรรษาก็จะทุดดงเรื่อยๆไปตั้งใจไว้จิตมันเปลี่ยนมันเบือ่อครับหลวงพ่อเบือ่อทุกอย่างอยให้อย่าให้ความ<า>เบือ่อครอบงาจิตจากคนที่โทสะแรง ในเพื่อนโรงงานนี้ไม่ค่อยกล้าคุยกับผมนะเพราะผมงุตตะลุงะมผม ม, มโหะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันใจมันเปลี่ยนเ อ, อใจเปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้อารมณ์เนี่ยครอบใจได้ครับกระทั่งปีตีก็ไม่ให้ครอบใจนะเพราะฉะนั้นค่อยรู้ทันใจไหมถ้าถูกความรู้สึกครอบงําใจได้ต้องฝึกอย่าไปยอมตอนเนี้ยความรู้สึกยังยอมใจได้อยู่ ไปฝึกไปครับเวลาบวชล้วอย่าไปยุ่งกับคนอื่นดูของเราไว้จําคําหลวงพ่อไว้ในซีดีที่หลวงพ่อพูดอืมไม่ยุ่งกับคนอื่นเ อ, อเห็นไหมปีตีเกิดเห็นไหมเนี้ยรู้ทันมันอย่าให้มันครอบใจเรา<ม>อ่ะต่อไปมัสการครับหลวงพ่อวันนี้ผมมาส่งกับ้าบให้ให้คุณยายครับคุณยายฟังซีดีประมาณปีหนึ่งแล้วครับยายฟังซีดีเป็นเหรอฟังได้แล้วล่ะครับ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 เพราะว่าสมาธิของโยมเยอะน ะ, <ค>ะถ้าสมาธิเยอะเนี่ยให้ดูจิตเนี่ยดูยากจะดูวิปัสสนาด้วยการดูจิตเนี่ยยาก <คะ S 2> นะให้ดูกายไปแต่ว่าคอยระวังเนะี่ยโทส ะ, <ค>ะโทสะกามานาตามันจะแทรก <คะ S 2> ดูกายเป็นหลักเนี่ยเห็นไม้มร่างกายพยักหน้า <คะ S 2> นะรู้สึกไปด้วยใจที่ผ่อนคลาย <คะ S 2> อย่ารู้สึกด้วยใจที่ตึงๆนะต้อง <คะ S 2> รู้สึกด้วยใจที่สบายๆยิ้มหวานสิเนี่ยใจอย่างนี้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 ทีนี้มันเป็นฝรั่งค่ะมันไม่รู้เรื่องอ๋อเออจำเป็นค่ะทีแล้วก็ข้อที่สามนี่ตั้งใจมากเลยอยากจะมาบอกกับทีมงานว่าทีมงานนี่มีบุญคุณมากเหลือเกินเพราะว่าการที่เราอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราไม่ไม่ไม่สามารถที่จะได้ฟังสิ่งเหล่านี้ทีนี้มันไปถึงที่บ้านอย่างเงี้ยมันมีความสุขได้ได้ฟังทุกวันทั้งวันทั้งคืนยอะไรเงี้ยค่ะของโยมภาวนาใช้ได้แล้วละ่ะ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 ขอพระอาจารย์ได้ผลรรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลละนานเทิรนเหยาถาอวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเฟตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังทุมหังขิปเมวะสมิจฉุสัพเพภูเรนตูสังกาปา ชนโทพนรสโสยธามนิโชติระสโสยธาสพีติโยวิวัตชนตุสพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปัจจายโนจะตาโรธรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังสาทุ ดีนะอยู่ฝรั่งเศสเผยแพร่ไปดให้ธรรมะมันกระจายออกไป